จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุ ก, ท, กท่านวันนี้เป็นวันอังคารที่ส7บเจดกุมภาพันธ์พุทธศักราช2552หเป็นวันพระวันธรรมสวรรวันฟังธรรมเป็นวัน ทำหน้าที่ทาธุระของพุทธศาสนิกชนที่พระบรมศาสดาได้ส่งมาบไว้ให้ทาเพราะธุระนี้มีความจำเป็นมีความสำคัญต่อความสุขและความเจริญของชีวิตจิตใจพอถึงวันพระเราก็ต้องมาทาธุระทาง ศาสนาทางด้านจิตใจของเราถ้าเราไม่ทำทุระนี้ก็ไม่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาที่มีประโยชน์อันสูงสุดมอบไว้ให้แก่ทุกๆ ท, ท, ท่านที่ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับรางวัล ของสลากกินแบกเวลาเราซื้อสลากกินแบกมาเราก็หวังจะได้รับรางวัลที่หนึ่งกันฉันใดพระพุทธศาสนาก็มีรางวัลที่หนึ่งให้แก่พุทธศาส น, นิกชนและมีรางวัลที่สองที่สที่4ที่หตามลำดับลงมาขึ้นอยู่กับความสามารถ ขึ้นอยู่กับความศรัทธา <c oughs> ของสาสนกรกชนว่าจะทำธุระที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบอกไว้ให้ได้ครบสมบูรณ์หรือไม่มากน้อยเพียงไรถ้าครบสมบูรณ์ก็ได้รางวัลที่หนึ่งคือได้พระนิพพานไปหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดพลาก จากสิ่งที่เรารักจากคนที่เรารักอีกถ้าทำไม่ครบก็จะได้ต่ำลงมาเช่นรางวัลที่สองบ้างที่สามบ้างที่สี่บ้างหรือที่ห้าที่6บ้างอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่การทำธุระนี้ให้ได้ครบถ้วนบริบูรณ์นั่นเองธุระสองอย่างนี้ธุระมีอยู่สองอย่างด้วยกัน อย่างแรกเรียกว่าคันถธุระคือการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและธุระที่สองก็คือวิปัสนาธุระทำคําสอนของพระพุทธเจ้าให้ปรากฏเป็นผลขึ้นมาให้รู้แจ้งเห็นจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าส่งรู้ส่งเห็นนี่คือธุระของสาวชนิกชน อยู่ตรงนี้ส่วนธุระอย่างอื่นนั้นก็เป็นธุระที่สนับสนุนไม่ใช่ธุระหลักเช่นการสร้างวัดก็ดีการเรียลายเงินทองเพื่อมาสร้างวัดสร้างาศาสนะวัตถุต่างๆเหล่านี้เป็นธุระที่รองลงมาถ้าไม่มี ธพระนี้ก็ไม่เสียหายอย่างไรพระแท้แล้วไม่มีวัดก็ไม่เป็นปัญหาอะไรพระแท้อยู่ตามโคนไม้ก็ได้อยู่ตามถ้าก็ได้เพราะวัดแท้จริงของพระแท้นั้นอยู่ในใจอยู่ในใจที่มีธรรมะคุ้มครองปกป้องดูแลรักษาพระพุทธเจ้า เป็นพระแท้องค์แรกของพวกเราตอนที่ท่านตัดสู้ก็ไม่มีวัดท่านไม่มีกุฏิไม่มีศาลาไม่มีเจดีไม่มีโบสถ์อย่างพวกเรามีกันแต่ท่านกลับมีวัดภายในวัดที่ประเสริฐก็คือพระนิพพานอยู่ในพระทัยของพระองค์วัดนี้สาคัญกว่าวัดอื่นๆ อย่าไปกังวลกับเรื่องการสร้างวัดยกเว้นว่าเรามีบารมีเรามีปัจจัยมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้หรือว่าตายไปก็เอาไปทำอะไรไม่ได้เราก็เอาเงินนี้มาสร้างวัดมาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยวิธีหรือลักษณะต่างๆสนับสนุนให้พระภิกษุสามเณร ได้มีที่ปฏิบัติธรรมที่สงบนุ่มเย็นเป็นที่วิเวกปราศจากการความคุกพลาดของผู้คนต่างๆมีปัจจัยสีอยู่อย่างพอเพียงเราก็ทำได้อย่างนี้แต่ขอให้เข้าใจว่ามันไม่ใช่เป็นธุระแรกหรือธุระที่สำคัญที่สุดธุระที่สาคัญที่สุดนี้มีอยู่สองธุระนี้เท่านั้น คือหนึ่งคันธุระศึกษา 2. วิปั ส, สนาธุระปฏิบัติเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงธุระสองประการนี้ไม่มีวัดก็ปฏิบัติได้ขอให้มีพระธรรมคำสอนเป็นแสงสว่างนำทางเท่านั้นพระธรรมคำสอนจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีพระพุทธเจ้ามาตัดสู้ก่อน หัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนานี้อยู่ที่พระบรมมาสาสดาพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นองค์ที่สำคัญที่สุดถ้าไม่มีพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะไม่มีพระธรรมคำสอนไม่มีพระธรรมคำสอนก็จะไม่มีพระอริยสองสาวก นี่คือความสำคัญตามลำดับลำดับแรกก็คือพระพุทธเจ้าต้องมาก่อนต้องมีก่อนต้องมีโพธิสัตว์ผู้ได้บาเพ็ญบารมีมาอย่างแก่กล้าอย่างเจ้าชายฉตสิท ธ, ธัตถะทรงได้บาเพ็ญบุญบารมีทั้งสิบประการมาอย่างเต็มที่แล้วจึงได้มาเกิดเป็นพระโพธิสัตว์ ได้มาบําเพ็ญเพียรจนได้ตัดสัรุเป็นพระอาหารหันตะสัมมาสามพุทธเจ้าถ้าท่านไม่นําเอาสิ่งที่ท่านรู้มาสั่งสอนพระธรรมก็จะไม่ปรากฏแก่โลกถ้าไม่มีพระธรรมก็จะไม่มีพระพุทธศาสนาอย่างที่มีอยู่ในทุกวันนี้พระพุทธเจ้าถ้าตัดสัรุแล้วไม่สั่งสอน ก็จะเป็นพระปฏิจเกตพุทธเจ้าคือรู้เฉพาะตนรู้แต่ไม่แบ่งความรู้ให้แก่ผู้อื่นผู้อื่นก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่ได้รับประโยชน์แต่เนื่องจากพระไทยที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพระเมตตากรุณามีความสงสาร ต่อสัตว์โลกที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดที่ยังต้องจมอยู่ในกองทุกไปอย่างไม่รู้จักจบจากสิ้นถ้าไม่มีพระธรรมคําสอนของ พ, พุทธเจ้ามานำพาให้หลุดออกมาจากกองทุก็<อ>กจะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปอยู่เรื่อยๆอย่างที่เป็นกันอยู่ในทุกวันนี้ พวกเราก็ยังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่และไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะถึงวันสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเสียทีแต่ชาตินี้พวกนี้เรามีโอกาสแล้วเราได้มาเจอพระธรรมคำสอนได้มาเจอพระพุทธศาสนาแล้วเรามีโอกาสที่จะทำตนให้ได้หลุดพ้น จากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วอยู่ที่ตัวเราแล้วละว่าเราจะมีศรัทธาในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่เราจะมีสติปัญญามีวิริยะความอุตสาหะภาคเพียรที่จะนำเอาไปปฏิบัติหรือไม่เท่านั้นเองไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคขวางกั้นพระนิพพานนอกจากตัวเราเอง ถ้าเราไม่มีศรัทธาไม่มีความอุตสาหะภาคเพียรที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติที่จะทำธุระทั้งสองประการนี้ให้ครบถ้วนบริบูรณ์เราก็จะไม่มีทางที่จะได้หลุดพ้นจากกองทุกข์ไปตลอดเลยเพราะขณะพบกับพระพุทธเจ้าองค์นี้แล้วพบกับพระพุทธศาสนานี้แล้ว ยังไม่มีศรัทธายังไม่มีความภาคเปลี่ยนที่จะทำธุระนี้แล้วเมื่อไหร่จะมีแล้วต่อให้ได้พบกับภ้าพุทธศาสนาอีกกี่ร้อยกี่พันครั้งก็ตามก็จะไม่เกิดประโยชน์อย่างไรก็จะเป็นเหมือนบัวใต้น้ำบัวที่จะไม่มีโอกาสโผล่ขึ้นเหนือน้ำมาบานได้เลย เพราะจะกลายเป็นอาหารของปูของปลาไปอาหารที่จะมากัดกินใจดวงนี้ให้เวียนว่ายตายเกิดก็คือกิเลสตัณหานี่เองไม่มีอะไรนี่แหละคือเรื่องของการศึกษาคันทะธุระเบื้องต้นเราศึกษาให้เห็นคุณค่าเห็นคุณประโยชน์ ของพระศาสนาของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและของพระอริยสงสาวกทั้งหลายศึกษาให้เห็น <c oughs> ว่าเป็นสิ่งที่เลิศที่ประเสริฐยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในโลกนี้เป็นแก้วประเสริฐเรียกว่าเป็นรัตนะรัตนะนี้ต่างกับแก้วแหวนจินดาเพชรนั้น เพชดนินจินดาต่างๆแก้วนี้เป็นแก้วที่ทำให้ใจมีปัญญามีแสงสว่างนำพาให้ออกจากกองทุกข์ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือแก้วนิรัตนะมีอยู่สามประการคือพุทธรัตนะธัมมรัตนะและสังขรัตนะ เบื้องต้นก็ต้องปรากฏมีพุทธัชนะขึ้นมาก่อนมีพระโพ ธ, ธิสัตว์มาเกิดในโลกนี้มาบำเพ็ญเพียรเช่นพระเจ้าชายสิทธทัตถะที่ทรงออกบวชบำเพ็ญเป็นสัม ม, ณมาณัฎฐะอยู่ถึงเวลาอยู่ถึงหกปีด้วยกันจนในที่สุดก็ได้ตัดสู่ เป็นพระอาหารหันต์ตระสั ม, มาศมุทธเจ้าขึ้นมาพอมีพระพุทธเจ้าแล้วขั้นที่สองที่จะต้องมีก็คือพระธรรมคําสอนถ้าพระพุทธเจ้าไม่ตรัสสอนก็จะไม่มีพระธรรมคําสอนก็จะไม่มีพระอริยสงสาวกจะไม่มีพระศาสนาพอพระพุทธเจ้าตายไป พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ตายไปกับพระพุทธเจ้าไม่มีใครที่จะสามารถนำเอามาสืบทอดนำเอามาเผยแผ่ต่ อ, ตอได้นะแต่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีพระเมตตาการุณาอย่างมากมายทาั้งๆที่พระ อ, องค์ไม่ต้องสอนพระ อ, องค์ก็อยู่อย่างสุขอย่างสบายแต่ก็ยอมเสียสละ เวลาที่มีเหลืออยู่มาเผยแผ่พรธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลกพวกเราจึงควรน้อมลึกถึงพระกุณอันยิ่งใหญ่นี้ไม่มีใครที่จะไม่มีอะไรที่จะบังคับพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าไม่มีหนี้ไม่มีพันธะอะไรกับใครที่จะต้องทำหน้าที่นี้แต่อย่างใด แต่ทำด้วยพระไทยที่สะอาดบริสุทธิ์ที่มีพระเมตตากรุณาแก่สัตว์โลกที่ยังตกอยู่ในกองทุกข์มีความสงสารอยากจะให้เขาได้พ้นทุกข์อยากจะให้พวกเราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายพระคุณของท่านนี้ยึงมีมากยิ่งกว่าพระคุณของบิดามารดาของเราอีกหลาย ล้านเท่าเลยความจริงพระคุณของบิดามารดานี้ก็มีมากแบบว่าเราจะไม่มีทางที่จะชดใช้ได้หมดเลยแต่ก็ยังไม่มากเท่ากับพระคุณของพระพุทธเจา้าเพราะบิดามารดาให้เราได้เพียงแต่ชีวิตนี้เท่านั้นแต่ท่านไม่สามารถที่จะทำให้ชีวิตของเรานี้ ปราศจากความทุกข์ได้ทำให้ชีวิตนี้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้มีแต่พระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่ทำได้ถ้าท่านจะทำและก็เป็นบุญเป็นวาสนาของพวกเราที่ได้มาพบพระพุทธเจ้าที่มีความเมตตากรุณาที่จะ เผยแผ่พระธรําำคำสอนให้แก่พวกเราเมื่อได้ทรงประกาศพระศาสนาแล้วผลที่ตามมาต่อไปก็คือบุคคลที่ได้ยิบได้ฟังมีศรัทธามีปัญญาก็สามารถน้อมนำเอาไปปฏิบัติจนบรรลุจนหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าปรากฏเป็นพระอรหันตะสาวก เป็นจานวนมากผู้ที่จะมาทำหน้าที่เผยแผ่พระธรรมคำสอนแทนพระพุทธเจ้าต่อไปหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ส่ง <c oughs> สเสด็จดับขันธปาริณิภารไปแล้วแต่พระาศาสนาพระธรรมคำสอนยังมีอยู่ในโลกนี้เพราะมีพระอรหันตสาวก ค, คอยถ่ายทอดและมี ผู้มีจิตศรัทธาคอยศึกษาคอยปฏิบัติคอยทำธุระของพระพุทธศาสนาให้ครบถ้วนบริบูรณ์จนทำให้ศาสนาปรากฏอยู่จนถึงทุกวันนี้ได้นี่คือเรื่องของพระรัตนตรัยเป็นอย่างนี้มีคุณค่ามากมายอย่างนี้ต่อสัตว์โลกทั้งหลายเช่นพวกเหล่านี้ พวกเราจึงควรที่จะรำลึกถึงพระคุณอันประเสริฐถ้าเราอยากจะทดแทนบุญคุณนี้เราก็ขอให้ทดแทนด้วยการปฏิบัติบูบชาเพราะไม่มีอะไรที่พระพุทธเจ้าหรือพระอาหารหันตาสาวกต้องการจากพวกเรานอกจากการปฏิบัติบูบชานี้เท่านั้นเองเพราะ เมื่อเราปฏิบัติบูบชาแล้วเราก็จะได้หลุดพ้นจากกองทุกข์เช่นเดียวกันซึ่งเป็นเป้าหมายหรือเป็นความปรารถนาของพระพุทธเจ้าและของพอระอรหันตสาวกทั้งหลายที่ประกาศพระศาสนานให้แก่พวกเราสั่งสอนพวกเรานี้ก็เพื่อให้เราได้หลุดพ้นจากกองทุกนี้เท่านั้นเอง ถ้าได้หลุดพ้นแล้วท่านมีความสุขใจมากท่านมีความพอใจมากเพราะไม่เสียเวลาไม่เสียแรงที่อุตสาห์พร่ำสอนพวกเราอยู่เรื่อยๆพวกเราจึงควรจะเป็นอย่าพวกเราจึงไม่ควรเป็นพวกทัพพีในหม้ อ, อกแกงหรือพวกที่ฟังเข้าหูซ้ายแล้วออกหูขวา ไม่มีอะไรหลงเหลือติดอยู่ภายในใจที่จะเป็นเชื้อให้เราได้นำเอาไปปฏิบัติเลยขอให้เราเป็นเหมือนกับลิ้นกับแกงอย่าเป็นเหมือนพวกทัพทีในหม้ อ, อกแกงที่ไม่รู้รสชาติของแกงว่ามีรสดีขนาดไหนเพียงไรเราต้องเป็นเหมือนลิ้นที่สัมผัสกับ แกงเราจะรู้ทันทีเลยว่ารสชาติของแกงนี้ดีและวิเศษขนาดไหนเพียงไรเราต้องฟังแล้วให้มีความเข้าใจฟังแล้วต้องฟังด้วยสติตั้งใจฟังอย่าปล่อยให้ใจเราคิดเรื่องอื่นในขณะที่เรากำลังฟังธรรมะหรืออย่าคุยกันอย่า อย่าส่งใจไปคิดถึงเรื่องต่างๆให้ตั้งใจรับคำสอนเหมือนกับงายแก้วไว้รองรับน้ำที่เทลงไปถ้าเราคว่มแก้วลงน้ำที่เทลงไปในแก้วจะไม่มีหลงติดอยู่ในแก้วเลยแม้แต่หยดเดียวเราฉันใด็พราะทำคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่ประเสริฐเลิโลกนี้ก็เช่นกันถ้าเราฟังแบบเอาหูซ้ายเข้าหูขวาเข้าหูซ้ายออกหูขวาไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ในใจเลยอย่างนี้ฟังแล้วไม่เกิดประโยชน์อย่างไรเพราะใจไม่ได้อยู่กับการฟังใจไปมัวแต่คิดเรื่องอื่นหรือมัวแต่ทำสิ่งอื่นหรือมัวแต่สนทนาคุยกัน เป็นสิ่งที่น่าเสียดายอย่างยิ่งถ้ามีการแสดงธรรมเทศนาแล้วเราไม่ฟังกันดังนั้นเวลาที่เราศึกษาพระธรรมคําสอนไม่ว่าจะเป็นการฟังเทศฟังธรรมก็ดีหรือการอ่านหนังสือธรรมะก็ดีหรือดูสื่อธรรมะก็ดีขอให้เราตั้งใจดูกันตั้งใจฟังกัน ยาสักแต่ว่าฟังอย่างที่มักจะทำกันบางวัดเวลาพอพระเริ่มเทศญาติโยมก็หาเสาหาฝาพิงกันเทศไปห้านาทีก็คอพับกันไปหมดนั่งหลับกันไปอย่างนี้ฟังแบบนี้ฟังแบบทับพีในหม้ อ, อกแกงฟังแบบไม่รู้เรื่องอะไรไม่เกิดประโยชน์อะไรฟังแล้วต้องเกิดความรู้เกิดความเข้าใจ เกิดปัญญาเพื่อเราจะได้นำเอามาใช้ต่อไปนำเอามาปฏิบัติต่อไปถึงจะเรียกว่าเป็นการบูชาเป็นการทดแทนบุญคุณอันประเสริฐของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่มีแก่เราขอให้เราปฏิบัติบูบชากันอย่างสมบูรเสมอ ก็คือการทำทุระทั้งสองประการนี่แลเรียกว่าเป็นการปฏิบัติบูบชาคือศึกษาเล่าเรียนอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็ต้องเข้าวัดหนึ่งครั้งถ้าไม่เข้าวัดก็ต้องฟังเทศฟังธรรมสักครั้งหนึ่งเดี๋ยวนี้เราสามารถฟังธรรมได้ที่บ้านก็ฟังได้ในรถยนต์ก็ฟังได้เพราะมีสื่อต่างๆ ที่เราสามารถใช้เปิดเพื่อให้เราได้ฟังธรรมะได้ควรจะฟังอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อหนึ่งอาทิตย์และควรจะฟังมากกว่านั้นถ้าเป็นไปได้ฟังได้ทุกวันยิ่งดีใหญ่หรือฟังได้ตลอดวันก็ยิ่งดีใหญ่เพราะยิ่งฟังแล้วก็จะยิ่งเกิดความเข้าใจมากขึ้นยิ่งรู้มากขึ้นยิ่งฉลาดมากขึ้น เมื่อฉลาดแล้วก็จะสามารถเอาชนะความหลงความโง่เขลาเบาปัญญาที่หลอกให้โลภให้โกรธให้หลงได้ที่หลอกให้อยากได้ถ้าไม่มีความรู้ความฉลาดแล้วก็จะไม่สามารถรู้ทันความหลงก็จะถูกหลอกให้โลภหลอกให้โกรธหลอกให้อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่เรื่อยๆไม่รู้จักจบจากสิ้น อยากมากเท่าไหร่โลกมากเท่าไหร่โกรธมากเท่าไหร่ก็จะทุกข์มากขึ้นไปเท่านั้นเพราะความอยากความโลกความโกรธนี้เป็นเชื้อของความทุกข์นั่นเองเป็นเหมือนเชื้อไฟไฟจะมีได้ก็ต้องมีเชื้อไฟฉันใดความทุกข์จะมีได้ก็ต้องมีความอยากมีตัณหามีความโลกมีความโกรธ แต่ถ้าเรามีธรรมะมีแสงสว่างมีปัญญามีความรู้ความฉลาดมันก็จะไปดับไฟดับความหลงได้เมื่อไม่มีความหลงความโลภความโกรธความอยากก็จะไม่เกิดเมื่อไม่เกิดก็จะไม่มีความทุกข์ไฟที่ถูงน้ำลาดใส่เข้าไปอยู่ตลอดเวลา ไม่นานไฟนั้นก็ต้องดับไปอย่างแน่นอนถ้าน้ำมีมากกว่าไฟไฟก็ต้องดับแต่ถ้าน้ำมีน้อยกว่าไฟไฟก็ยังติดอยู่ธรรมะหรือความรู้ความฉลาดก็เช่นเดียวกันถ้ามีน้อยกว่าความหลงต่อความโง่เขลาเบาปยาความโลภความโกรธความอยากต่างๆก็ยังไม่ดับ แต่ถ้ามีธรรมะ ม, มากกว่ามีความหลงแล้วความโลภความโกรธความอยากต่างๆก็จะหยุดความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้น ก, ก, นก็จะดับไปเช่นเดียวกันนี่แหละคือเรื่องของคันธุระและวิปัสสนาธุระก็อยู่ตรงนี้เองอยู่ที่การศึกษา เพื่อที่ทำให้เกิดปัญญาเกิดความรู้เกิดความฉลาดแล้วนำเอาไปใช้กับใจเวลาเกิดความโลภ ก, ก็จะได้มีธรรมะมาดับได้มาหยุดได้เกิดความโกรธก็มีธรรมะมาหยุดได้เกิดความอยากก็มีธรรมะมาหยุดได้พอหยุดความโลภความโกรธความอยากได้ ความทุกข์ก็จะไม่มีอีกต่อไปอยู่ตรงนี้ขั้นต้นต้องศึกษาก่อนว่าธรรมะที่พระเจ้าทรงสอนนั้นมีอะไรบ้างแล้วก็นำเอามาปฏิบัติกับกายวาจาใจของเรามาตัดความอยากต่างๆธรรมะพื้นฐานที่ท่านสอนให้เราสร้างให้เกิดขึ้นก็คือจาฆะการเสียสละอย่าหวงแหนสิทธิ์ต่างๆที่เรามีอยู่ ที่มันเกินความจำเป็นต่อการดํารงชีพของเราอย่าไปเสียดายมันเอาไปแจกเอาไปจ่ายเอาไปทำประโยชน์แก่ผู้อื่นเป็นการตัดเป็นการลดความอยากลดตัณหาลดความโลภเมื่อความโลภความอยากน้อยลงความโกรธก็จะน้อยตามลงไปเพราะความโกรธนี้เกิดจากความโลภ หรือความอยากเวลาโลภแล้วไม่ได้อย่างที่อยากได้เวลาใครมาขัดใจขัดกับความโลภความอยากก็จะเกิดความโกรธขึ้นมาแต่ถ้าไม่เกิดถ้าไม่โลภไม่อยากแล้วใครจะมาทําอะไรก็ไม่รู้ก็จะไม่รู้สึกว่าขัดใจแต่อย่างไรเพราะไม่ได้ไม่อยากได้อะไรอยู่แล้วนั่นเองความโกรธก็จะไม่มีตามมาเช่นเดียวกัน นี่แหละคือเรื่องของธรรมะขั้นต้นนี้เราต้องจ่าคะเสียก่อนบริจาคให้ในสิ่งที่เรามีเหลือกินเหลือใช้เพื่อจะได้ตัดทอนกำลังของความโลภของความอยากให้มันเบาบางลงไปแล้วขั้นต่อไปเราก็ <c oughs> จเจริญขั้นรักษาศีลเมื่อเราไม่โลภไม่อยากเราก็จะมีจิตใจ ที่มีแต่ความเมตตากรุณาเพราะเรามีจาคะเรามีอะไรแล้วก็อยากจะให้คนอื่นอยากจะช่วยเหลือคนอื่นเราก็จะไม่ชอบเบียดเบียนคนอื่นเราก็จะรักษาศินได้เวลารักษาศินได้ใจก็มีความสงบมีความสุขก็อยากจะรักษาให้มากขึ้นก็จะนั่งสมาธินั่งสมาธิแล้วเมื่อนั่งสมาธิแล้วจิตใจสงบก็จะเห็น ความจริงของสิ่งต่างๆดังที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นแล้วนำมาสอนพวกเราว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ให้ความสุขกับเราได้เท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบของใจใจจะสงบได้ก็ต้องปล่อยวางต้องเสียสละต้องตัดต้องละไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เพราะสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ ไม่ได้ให้ความสุขกับใจมีแต่จะให้ความทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆมันมาแล้วมันไปเวลามาก็ดีอยู่หรอกแต่เวลามันไปนี่มันแสนทรมานใจเวลาต้องสูญเสียสิ่งที่เรารักหรือคนที่เรารักไปถ้าเราทำจิตให้สงบแล้วเราจะเห็นความจริงอันนี้แล้วจะทำให้เราไม่กล้ายึด การติดกับสิ่งต่างๆในโลกนี้เราจะอยู่อย่างสบายอยู่อย่างปล่อยวางมีก็มีไปมาก็มาไปเวลาจะไปก็ปล่อยให้เขาไปแม้แต่ร่างกายก็ไม่ยึดไม่ติดถึงเวลามันจะไปก็ให้มันไปอยู่อย่างนี้แล้วรับรองได้ว่าจะมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์เลยนี่แหละคือการทาธุระ ของศาสนิกชนคือคันธุระฝังเทศฟังธรรมศึกษาแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติเป็นวิปัสนาธุระปล่อยวางเสียสละไม่เบียดเบียนผู้อื่นทำจิตให้สงบให้พบกับความสุขที่แท้จริงที่เกิดจากความสงบของใจของจิตนี้เมื่อได้พบความสุขั น, นี้แล้วก็จะปล่อยวางความสุขอย่างอื่นได้ ปล่อยวางความสุขทางตาหูจมูกิ้นกายทางบุคคลนั้นบุคคล น, นี้ทางวัตถุเข้าของต่างๆได้ยึงขอฝากเรื่องการมาทำทุระของพุทธศาสนิกชนคือคันถักระและวิปัสสนาทุระนี้ให้ท่านได้นำไปพินิพจณ า, าและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไป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 โดยทั่วหน้ากันเธอ